ท่านฟังที่เคารพค่ะวันนี้เราอยู่กันในวันสำคัญของโลกเลยนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นวันสตรีสากลที่จะต้องลุกขึ้นมาเพื่อมองว่าผู้หญิงที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับโลกมีใครกันบ้างแล้วก็ในประเทศไทยทางด้าน องค์กรเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะแจกรางวัลกันให้กับผู้หญิงเก่งๆในทุกสาขาอาชีพเองเอก็ไปเห็นว่าทางด้านพระพุทธศาสนาเขาก็มีการแจกรางวัลกันเช่นเดียวกันนะคะซึ่งได้เห็นหน้าค่าตาแล้วก็ชื่นใจว่าโอ้มีผู้หญิงเก่งๆแล้วทำประโยชน์กับประเทศชาตินเยอะแต่ในรายการของเราเนี่ยคะ่ะช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะให้อยู่ใน เ, เนื้อหาหลักของรายการ เพื่อเป็นความรู้พุททวจนะเพิ่มเติมด้วยจะน้อมสักการกราบเรียนถามพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนในวันนี้เกี่ยวกับผู้หญิงในพระพุทธศาสนาที่น่าจะนำเอามากล่าวขวัญถึงกันในวันนี้นะคะนมสักการกันทั้งคะอาจเพลินพรค่ะผู้หญิงถึงท่านไหนดีอะคะใช่ผู้หญิงที่ในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้ายกย่องเนี่ยก็คืออัครสาวกทั้งสองฝ่ายผู้ผู้ที่เลิ่อนงปัญญาแล้วก็ผู้ที่เลิ่อนงฤทธ ก็มีภิกษุณี2 อ, องค์ที่พระพุทธเจ้ายกย่องอันนี้อาจจมาจะพูดโดยโรวมๆก่อนนะคะ่ะอีกประการหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยยกย่องผู้หญิงในเรื่องที่สามารถที่จะเจอปัญหาที่มากกว่าผู้ชายได้ได้หอย่างอย่างผู้หญิงเนี่ยจะมีพระพุทุเจ้าชีว่ามีระดูะจะต้องคลอดบุตรจะต้องอยู่กับสามีคือออกจากออกจากครอบครัวของตนไปอยู่กับสามีแล้วอีก2อสาอย่างนี่ เป็นสิ่งที่ผู้หญิงจะต้องเจอมากกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายไม่ไม่ได้ต้องเหมือนกับ ก, การ <พอ S 1> ผจญ<า>ภัยออกจากบ้านตัวเองไป อ, อยู่บ้านคนอื่นแล้วก็เลยตรงเนี้ยยกย่องผู้หญิงว่าเออมีความาเขาเรียกว่าอดทนที่ต้องเจอตรงนี้อันนี้ก็คือสองสาประเด็นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผู้หญิงที่ในพุทธศาสนาเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็มีอยู่หลายคนที่สําคัญสําคัญนะส่วนใหญ่จะเป็นนางสุชาดาที่สร้างวัดบุพารามนี่ก็ใช่แล้วก็มีผู้หญิงอีกหลายต่อหลายท่านที่ได้สร้างคนางวิสาขานางวิสาขานางวิสาขาที่สร้างบุพารามแล้วก็มีอีกหลายต่อหลายท่านที่ได้สร้างความเจริญในในสมัยพุทธกาลอยู่ค่ะ ซึ่งซึ่งบุคคลเหล่านี้พระเจ้าก็เอ่ยถึงอยู่ในสมัยพุทธกาลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เพราะนั้นผู้หญิงในธรรมวินัยนี้เนี่ยท่านพระอานุ น, นก็ได้ถามพระเจ้าเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าผู้หญิงเนี่ยมาปฏิบัติพุทธประมาจันเนี่ยจะบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ไหมพระเจ้าว่าได้เป็นอรียะบุคคลเนี่ยไม่มีปัญหาเลยชายหญิงได้ทั้งนั้นอยู่ที่จิตเพราะจิตเนี่ยไม่มีผู้ชายผู้หญิงซึ่งก็ เป็นสิ่งที่เปิดกว้างอยู่แล้วพุทธศาสนาคําสอนพุทธเจ้าเธอปฏิบัติได้ยังไงก็ได้ผลตามนั้นอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ที่เราได้เจอแหละในคําสอนพุทธเจ้าค่ะนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาพุทธเจ้าจะพูดถึงการเกี่ยวข้องด้วยเพศตรงข้ามกับสมณะเนี่ยก็จะมีระเบียบวิธีการเกี่ยวข้องกันอยู่ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นสีนของพระหเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราผู้หญิง เนืน่องในวันนี้เป็นวันสตรีสากลได้จะต้องเกี่ยวข้องกับสมณะหรือเกี่ยวข้องกับนักบวชเนี่ยก็มีระเบียบวิธีการปฏิบัติอยู่ที่เราเราสามารถปฏิบัติตามได้ตามที่พุทธชาปัญญาเป็นตน้นทีนี้ในในในเรื่องราวของอัครสาวกผู้หญิงที่ยกย่องพุทธชาก็ยกย่องอพระอัครสาวกสองรูปในเรื่องของปัญญาและเรื่องของฤทธิ์ก็มีเหมือนกับพระมกนราริบุตรนี่แหละ แต่เป็นพิสุนีใชม่มีชื่อไหมค ะ, ะมีชื่ออยู่เหมือนกันเดี๋ยวนี้จะต้องหาสักหน่อยหนึ่งต้องขออภัยนะคะที่ฉันเองไม่ได้กรับเรียนท่านลวงหน้าก็มาถามเอา ด, อดื้อในรายการเลยเลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งท่านฟังที่เคารพคะ่ะสำหรับาศาสนาพุทธพระพุทธองค์ให้คุณค่าของผู้หญิงกับผู้ชายเท่ากันเพราะว่าบอกจิตไม่มีเพศแล ะ, ะเป็นาศาสนาที่มุ่งเน้น การที่จะให้เราเนี่ยได้ปฏิบัติจิตใช่ไหมคะพัฒนาจิตใช่ค่ะก็คือภิกษุณีสองรูปที่เป็นอ克拉สาวิกานะคือนางเขมาและพระเขมาและพระ อ, อุบลวันนาค่ะสวงอุปถากนะที่เป็นอุบาสิกายอดอุปถากอุปธายิกาสองคนคือนางนันทมาตาและอุตรา นี่พริเจ้ายกย่องสองคนนี้สคนนันทะมาตาและ<ช>อุตารานะคะอุตารา <c oughs> ทีนี้ตรงนี้ธรรมาคิดว่าเป็นชื่อชื่อโครของนางวิสาขาหรือนางสุชาดาสักคนใดคนหนึ่งอันนี้จะสามารถตรวจสอบได้อยู่ <c oughs> อ, อย่างภา ษ, ษาริบุตรเนี่ยก็ชื่อโครคือโกลิตะนะ <c oughs> อย่างพระโมคคัละนะก็คืออุปติสาถ้อขออภัยถูกต้องถูกต้องโ ก, โกลิตะและอุปติสา ในขณะที่เรียกกันโด ย, โดยชื่อโดยโคตวาสาริบุตรกับโมคลนะคะาะนั้นชื่อจ ะ, จะแตกต่างกันนิด น, นึงแต่ว่าคือบุคคลคนเดียวกันส่วนนางเขมากันบนางอุบลวันนาเนี่ยก็เป็นอัครสาวิกานางอนันทมาตาและอุตราก็เป็นอัครเขาเรียกว่าอุปทายิกาที่ที่เลิศของพรเจขมากับอุบลวันนาเป็นอะไรนะคะเป็นภิกษุณีผู้เป็นอัครสาวิกาสองรูปแล้วก็อัครอุปทายิกานะคือ พูเลิศทางด้านเป็นอุปถาที่เป็นอุบาสิกาคือนันทมาตาและอุตราก็ยกย่องบุคคลเหล่านี้ไว้ค่ะเพิ่งรู้ว่าสาวิกาหมายถึงอัครส า, าวิกาภิกษุณีเนี่ยก็เป็นเลิศทางฤทธิ์ได้มีการสาธยายรายละเอียดไว้ไหมคะว่าท่านมีฤทธิ์อย่างไรบ้างอ๋อฤทธิ์นี่พระพุาทาอธิบายไว้อย่างละเอียดเลย คือคนที่จะมาพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องอิทิริษเอาไว้นะอิทิอิทิทปริหารอธิษฐานาปาริหารอนุสาสนีปริหารการทำปาริหารแบบต่างๆ5 6อย่างมีหมดอธิบายรายละเอียดไว้สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องนี้ด้วย ค, คนที่จะมามีตําแหน่งนี้ได้ตําแหน่งนี่นี่คือความที่จะเป็นอัครสาวกหรือสาวิกาเนี่ยเป็นตําแหน่งที่คุณจะมาได้เนี่ยคุณต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ เระนันคนที่พระุทธเจ้าจะให้ความเป็นเอกในด้านนี้ของฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้เหมือนกันอ๋อค่ะต้องไม่งั้นไมงา้นพระพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติตรงนี้ค่ะเพราะมันก็ต้องมีเท่ากันค่ะแต่ว่าเป็นฝ่ายทางสาวิกาคือภิษุณีแปลว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีความสามารถไปได้เท่าๆกันถ้าได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องถูกต้องอย่างน้อยเรื่องของมรรคผลนิพพานก็ต้องได้เท่ากันค่ะที่ได้ทรงกระตรัสกับพระอาน์นวาย ค่ะว่ได้เหมือนกันแต่น่าสนใจมากที่สุดก็คือไม่ต้องไปหยุดอยู่ตรงฤตหรือตรงปัญญาใชคะแต่ปัญญาอันยิ่งเลยคือการนิพพานเนี่ยดีที่สุดได้เหมือนกันด้วยแล้วก็ปฏิบัติก็คือปฏิบัติตามพุทธวัชนะนี่แหละเป็นผู้หญิงผู้ชายจะอยู่บ้านจะอยู่วัดได้ทั้งนั้นจะกลนผมไม่กลนผมได้ทั้งนั้นขอให้ปฏิบัติจริงแล้วกันอุปทาขออีกทีนะคะเรียกว่าอัครอุปทายิกาอักครอุปทายิกาใช่ใอักคระ เป็นผู้อุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าอันยิ่งใหญ่อันนี้น่ายกย่องที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่ทําให้พระพุทธองค์ได้มีโอกาสที่จะสะดวกสบายไหมคะมากขึ้นแล้วก็ภิกษุสองทั้งหลายภิกษุภิกษุณีทั้งหลายนะคะในการที่จะได้สั่งสอนใช่ยังยังพระธรรมคาสั่งสอนทั้งหมดใช่ทาวิสาขาเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะคอยเป็นผู้ฉลาดในการถวายทานคิดดูสังเกตว่าพระเอ้าพระ ส่งน้ำกันไม่มีผ้างั้นขอถวายผ้าอาบน้ำพระทำกิจกรรมอย่างนี้กันไม่มีผ้างั้นขอถวายผ้าแบบนี้โอเป็นเหตุให้พระเจ้าเนี่ยบัญญัติผ้าหลายชนิดของภิกษุมากเลยจริงๆพระเจ้าบัญญัติผ้าแค่3อย่างสําหรับภิกษุนะคือครั้งหนึ่งพระเจ้าเนี่ยไปนั่งอยู่ในข้างนอกตอนคืนแห่งฤดูหนาวแล้วก็พบว่าโอ้ยมันหนาวจังก็เลยนี่ไม่ใช่พระวจนะนะไม่ได้วุ้ยว่าเอ้ยมันหนาวจังนะหมายความว่าพระเจ้ากลับมาบอกกับพระอนุลรู้สึกว่าภิกษุในธรรมะวินัยนี้เนี่ยกลัวความหนาว ก็เลยอนุญาตให้มีผ้าสาปืนค่ะนะคือผ้าหม่มผ้าคลุมแล้วก็ผ้านุง่งนะซึ่งภาษาพระก็จะเรียกว่ า, าสังคติอันตรบารโศกแล้วก็อันตรโศกกับอุตรโศกค่ะก็คือผ้าสบงจีวรสังคตินั่นแหละพูดง่ายๆทีนี้ผ้าอื่นๆนะเป็นคนพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติมีแต่ว่านางวิสาขาเนี่ยมาขอถวายพระพุทธเจ้าก็ให้ให้ให้อย่างนี้ผ้าบริการผ้าเ น, น, นุ่องพาณีก็เป็นเหตุที่เป็นผู้ฉลาด ในการถวายทานว่าอย่างนี้เถอะคือดูว่าสิ่งใดเป็นความจําเป็นของสมณะก็เลยจะเอามาให้ลักษณะนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอุปทาอิการเป็นอครอุปทาอิกาที่น่า ย, ยกย่องสองคนนี้ก็เท่ากับว่าถ้าจะกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับประเด็นวันสตรีสากรแล้วก็สตรีในพุทธวจนะนี้ก็มีตัวอย่างที่จะ ยกออกมาให้ท่านผู้ฟังได้ทำความรู้จักกันในเบื้องต้นนะคะส่วนในรายละเอียดนี่ก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยอของท่านก็นแล้วกันพอท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่ามีนางวิสาขาซึ่งมีความฉลาดในการทำบุญเนี่ยนะคะดิฉันไปเจอคำถามที่ท่านอาจารย์ได้ส่งมาให้จากท่านผู้ฟังใช่ไหมคะที่ได้ถามไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com สแลตหพูดถึงเรื่องของคนที่มีศรัทธากับสมณะศรัทธากับวัดก็คล้ายๆกันพอดีมีคำถามเนี่ยท่านอาจารย์คะว่าทำไมคนถึงคิดว่าการทุ่มเงินทำบุญกับกิจกรรมวัดอย่างมากมายมคือการแสดงออกถึงศรัทธาอย่างแรงกล้าคะคนถามชื่อคุณปิ่นนะค ะ, ะการที่ทำบุญเนี่ยการทาบุญมีทำได้หลายอย่างใช้ ของภายนอกธรทำนะก็คือใช้เงินธรทำในปัจจัยบ้านรถอะไรต่างๆการใช้ตัวธรรมก็คือการถือศีลใช่ไหมการใช้จิตธรรมก็คือการทําจิตตะเพานะาพระพุทธเจ้ายังตรัสไว้ตอนก่อนปรินิพพานปรินิพานแล้วเนี่ยนอนศีห า, า ย, ยายาแล้วเนี่ยยังไม่ปรินิพานกําลังบรนทมศีห า, า ย, ยายาอยูเย่เทวดาเนี่ยเอาดอกไม้อะไรมาโปรยมีกลิ่นหอมทิพย์ดอกปิดฤดูโปรยลงมาเนี่ยพุทธเจ้าบอกอันนี้ไม่ใช่การบูชาที่ดี ไม่ใช่การบูชาที่สูงสุดแต่การบูชาที่สูงสุดคือนะ ก, ก, ก, การปฏิบัติบูชาค่ะนะภิกษุภิกษุณีบาโสบัสกาได้ปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นั่นเนี่ยชื่อว่าการบูชาที่สูงสุดทีนี้ถามว่าการคนที่เขาจะทําบุญเนี่ยทำบุญทําได้สามเวีเพราะนั้นจึงต้องอธิบายคุณยมปิณให้ฟังเข้าใจว่าการทําบุญเนี่ยไม่ใช่การให้ทานอย่างเดียวการทําบุญมีทั้งการให้ทานการใช้ตัวทํำก็คือการถือศีลการใช้จิตทํำก็คือการทําจิตตภาวนา ทานศีลภาวนานั่นเองใช่ทานศีลภาวนานั่นเองเพราะฉะนั้นเรามีศรัทธาเนี่ยเราทําทั้งสามอย่างก็ได้เราทําอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็แล้วแต่บุคคล น, นั้นว่าเขาจะทําอย่างไรเพราะนั้นการทําอะไรก็ได้คนฉลาดนะทำอะไรก็ไ ด, ด, นะทไได้ที่ให้เกิดบุญโดยไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายนี่คือคนฉลาดทําบุญค่ะเท่าจารั้งั้นถามเสริมเลยนะคะว่าคนรวย มีโอกาสได้บุญมากกว่าคนจนไหมคะเพราะเขารวยมากกว่าเขาก็ทําบุญได้มากกว่าอ่าอันนี้ต้องบอ ก, บอกที่พุทธวจนะว่าอย่างไรค่ะพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งเนี่ยได้นั่งอยู่ในที่หลิกนั่นอยู่ที่หนึ่งมีพระโมคคัลลานะกับพระสารีบุตรเนี่ยกำลังรับสังฆทานที่ถวายนางโดยนางวิสาขาถ้าอาจามาจะไม่ผิดพระพุทธเจ้าเล็งเห็นแล้วว่าโอ้การถวายทานครั้งนั้นเนี่ยได้บุญมหาศาลขนาดที่ว่า น, น้ําทะเลเนี่ยวัดกี่ลิตรกีลิตรวัดไม่ได้ต้องแยก คำพูดถูกนะการถวายทานครั้งนั้นได้บุญมหาศาลเ <Okay. S 1> นื่องมาจากการให้ทานนะถ้าศีลกับภาวนา น, นิยกไว้ก่อนน ะ, <Okay. S 1> ะการถวายทานครั้งนั้นได้บุญมหาศาลเนื่องจากเหตุปัจจัย6อย่าง uh huh. 3อย่างแรกเป็นคนผู้ให้3มอย่างสองเป็นคนผู้รับ <Okay. S 1> ผู้ให้มีคุณสมบัติ3อย่างนี้ไหมหนึ่ 1. เป็นผู้ที่มีศรัทธาก่อนให้สองระหว่างให้ก็มีศรัทธาน้อมไปเพื่อการให้สให้ไปแล้วก็ไม่นึกเสียดายยังมีศรัทธ a ในการ เรตามระลึกถึงบุญที่เราทานที่เราได้กระทําไปอยู่ <Okay. S 1> คนให้มีคุณสมบัติ3อย่างนี้คนรับมีคุณสมบัติ3อย่างนี้ไหมหนึ่งกำลังปฏิบัติหรือหมดแล้วซึ่งราคากิเลสสองกำลังปฏิบัติหรือหมดแล้วซึ่งโทสะกิเลส3กําลังปฏิบัติหรือหมดแล้วซึ่งโมงหกิเลสก็คือเป็นปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอรหันต์แล้ว <Okay. S 1> หรือกําลังทําอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ เพราะนั้นถ้าคนให้นะมีคุณสมบัติสามอย่างนี้คือมีศรัทธาก่อนระหว่างหลังคนรับมีคุณสมบัติสมอย่างนี้การทําบุญในครั้งนั้นการให้ทานในครั้งนั้นจะมีอานิสงส์งมากค่ะสงสัยอย่างละอย่างที่เกี่ยวคนรับข อ, อถามซ้ําอีกสักครั้งนะคะว่าคนรับนี่ยกำลังปฏิบัติเพื่อให้หมดราคะโทสะโมหะหรือว่าปฏิบัติแล้วก็ได้ใช่กําลังปฏิบัติเพื่อให้หมดหรือหมดแล้วซึ่งกิเลสทั้งสอย่างอ๋อค่ะคือกําลังเดินทางไปเพื่อเป็นพระ อรหันต์นหรือว่าอยู่ในระหว่างเดินทางใช่เป็นอรหันตมรรคหรือว่าอารหันตผลได้ทั้งนั้นทีนี้คนรับเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นปฏิบัติถึงขั้นไหนเอาดูที่ไหนดูที่ศีลของท่านก็ได้ะนะหรือว่ากุยธรรมะพบว่าโอ้คนนี้อธิบายธรรมะลึกซึ้งไม่น่าจะเป็นผู้ที่มีราคะโทสะหรือโมหะอาจจอธิบายได้นี่น่าจะ น่าจะสามารถเข้าขายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเป็นการยาที่กระดหัดคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะบอกได้ว่าใครได้ขั้นไหนขั้นนู้นขั้นนี้มันพยากรยากก็เท่ากับว่าถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากพระพุทธองค์ไม่เคยตรัสเลยว่าถวายมากได้มากไม่เคยะคะแต่ขอให้มีศรัทธาทั้งก่อนทั้งระหว่างและก็ทั้งหลัง ใ, ให้ให้มาก ใ, ในส่วนของภพและอัน<ว>นี้เป็นเรื่องของตัวเองด้วยน ะ, ะเรื่องของตัวเองที่ว่าถ้าเรามีหกเหตุปัจจัยให้ได้บุญมาก สาเหตุปัจจัยเราก็ควบคุมไม่ได้เพราะเป็นของผู้รับแต่สามเหตุปัจจัยเป็นของเราเราควบคุมได้ใช่ไหมเราก็ควบคุมสิก่อนระหว่างและหลังเราไม่มีจิตอกุศลเลยมีแต่ศรัทธาตลอดนะ ค, คิดให้ไปก็ไม่เสียดายโอ้การให้ทานครั้งนี้ของเราต้องได้บุญมากแน่นอนคเพราะลูกชาติตัดไปอย่างนั้นเราอาจจะห่วงญาติพี่น้องคนใกล้ชิดของเราว่าทำบุญมากใช่จนไม่สบายใจเราควรห่วงไหมคะมากหรือน้อยเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาจากบุคคล น, นั้นเท่านั้นเองว่า อ้วเขาเบียดเบียนตัวเองไหมเบียดเบียนผู้อื่นไหมเบียดเบียนทั้งสฝ่ายไหมอ่าแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเป็นคนชนดในการให้ทานอยู่แล้วเป็นผู้ที่เป็นคนดีให้ทานดีที่สุดก็คือว่าถ้าเข้าคุณสมบัติทุกอย่างในทางที่ดีที่ได้บอกไปแล้วนี่ ใ, <ช>ให้อนุโมทนาเลยเราจะได้ปล่อยอได้บุญด้วยบุญนุโมทนา <N: S 2> นะคะ<ช>วันนี้ก็คงจะต้องนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์แต่เพียงเท่านี้ค่ะกราบขอบพระคุณคะ่ะท่านวังที่เคารพค่ะแหมวันนี้กระจ่างมากเลยนะคะ ทำบุญเนี่ยขอให้ศรัทธาจริงๆแล้วก็ขอให้เราทำบุญถูกผู้รับเราก็จะได้อานิสง์มากไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ารวยจนไม่งั้นคนรวยก็รวยตลอดชาตินะคะคนจนไม่มีโอกาสเกิดเลยวันนี้ต้องลาท่านฟังไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้ติดตามรับฟังรายการเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สรนสนีสมทนาและดิฉันสันสนีนาคพง์พุทธว ส, สวสดีคะ่ะ